พระบัญญัติ455ก็ภิกษุใดโกรธไม่พอใจเงือหอกคือฝ่ามือให้ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระชพวขีจบ